เนกับมาในอุโบสถวิถีนะครับเราจะมาดูที่หน้าหนึ่งลห้าอสองครับหัวข้อสือถามบทชี้ติพิสูรรูปใดตะเกียรตะกายเพื่อทำลายโสผู้พรอเพียงกันหรือเชื้อเอาเหตเป็นไปเพื่อความแตกกันแห่งโสไว้มั่นอยู่พิสูทั้งหลายถึงว่ากล่าวพิสูรูปนั้นอย่างนี้ว่า ท่านอย่าได้พยายามเพื่อทำลายศพผู้พร้อมเพียงกันหรือท่านอย่าได้ถือเอาเหตุอันเป็นไปเพื่อความแตกกันแห่งสงไว้เลยขอท่านจงพร้อมเพียงกับสงเพราะว่าสงผู้พร้อมเพียงกันยินดีร่วมกันไม่มิว่ากันมีอุเทนปกิโมก์อย่างเดียวกันย่อมอยู่ขาสุดที่สื่อรูปนะั้น ผูกพสูจนั้งหลายว่ากายอยู่อย่างนี้ก็ยังถึงถือไว้มั่นอยู่อย่างนั้นนั่นเองพิสูจนทั้งหลายคือส่วนสมนุนทานกรรมกรรมที่ส่วนเพื่ออบรมตัเตือนบ่อยๆสามครั้งเพื่อให้ตลาบพฤติกรรมนั้นถ้าว่าพิสูจน์นั้นส่วนสมนุนทานะกรรมก่อนจะทบทบสามครั้ง ถึงตลาดคือติ ก, กรรมนั้นการตลาดได้อย่างนั้นเป็นความดีถ้าไม่ยอมตลาดจนสวดโทบสามครั้งต้องอาบัตสังคาทีเสร็จฉากมันนยาวเลยนะครับสี่ข้อสุดท้ายจะยาวถ้าวันนี้นะพี่สิบุณย์นยเกีเยรติการก็ทำลายศพนะครับเออพยายามนะไปเกียรติการยังไงครับ ตั้งแต่การแสวงหาพรรคแสวงหาพวกนะครับแสวงหาพวกแล้วก็ตั้งกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลอกนะครับเราจะแยกกันนะ <S <S แล้วก็มีความประสงค์ว่าทํายังไงนะที่ถิ่งศงหนจะแตกแยกกันครับมีความประสงค์ไม่ดีนี่ครับแล้วก็จะมีอะไรนะอากา ร, ารหา้รหาอย่างนะครับที่ตอบอะไรตอบไม่ดีนะครับเกี่ยวกรทํารทเกาแฟนะครับ อาการห้าอย่างในการทาสกอเทศมันก็จะมีจักรกรรมอุเทนปาจิโมใการชี้แจงนะครับเื่อกรอตส่าหมันจะมีคนเดียวคนเดียวทำอสาหนะครับแล้วก็กรรมอุเทนการชี้แจงการสุปประกาศและก็จัสั่นะครับคือตอนแรกก็งนี้นะ ไอ้ตะเกียร์ตการเนี่ยก็คือพย า, ยาหาผ้าหาพู้นะครับยังมีคําว่าถือเอาหเห็นเป็นไปรู้ความแตกกันเห็นสงมันมีเพย์ทัการวัตถุนะครว่าผีทําให้เกิดความแตกแยกกันนะกี่ข้อละสิบแข้ อ, อนะครับอะไรเท่าไหร่นี่สิบแปดอย่างนะครับก็คือไอ้เรื่องที่ทะเลาะกันนะสิ่งที่เป็นธรรมนะครับ แสดงสิ่งที่เป็นธรรมว่าไม่ใช่ธรรมสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมว่าเป็นธรรมนะนี่เป็นต้องนะครับ เ, เรื่องเนี้ยนะครับขึ้นมาประการชี things, ้แจงหมู่คณนะอาชิเห็นด้วยกับตนนะเพื่อหาผ้าหาพั้วนะครับเยอะเห็นเป็นพระเทวท่านนะาต้องกินเจตลอดชีวิตห้ามกินเนื้อสัตว์นะอันนี้แหละเป็นธรรมเป็นวินัยเป็นศีลธรรมนะครับเป็นไปด้วความมากน้อยสงดสงบส ง, ยสงียบเก่าเนี้ยงง่เนี่ยถึงต้องตองารคำวินัย แล้วก็วัวขาวทาคก็ว่าไปนะครับสุประกาศชี้แจ้งท่านฝั่งนะทีนี้ก็จะมีคนเห็นด้วยแล้วนครับคนเห็นด้วยก็มีถึงขนาดให้จักสลากนะครับเพื่อประยุกจิตของมีตรพวกนั้นนะให้มาเข้าต้นไม้มั่งคงนครับถ้ามฟังเห็นด้วยกั็เราจับสลายนเลยนะสลาอะไระสักหนึ่งสลากธรามบาทีสลากอะไรก็ไม่รู้อย่านี้ก็ว่าไปเนี่ยคุณยมผมไม่โกของพวกท่านหรอก ผมไม่โกรว น, นะล็อกเน่ยนะถ้ามันไม่ถูกต้องจริงๆผมไม่บอกหร่างนี้นะทูที่สเราอื่นถ้าไม่ถูกนะครับพยายามครับนะพูดเที่ยงกองอะไรไปนะจนแบบได้ทั้งได้พวกนะครับแก้าการชี้แจงการประกาศก็ดีจะให้จับสาดก็ดีแค่นี้นะครับยังไม่เป็นสรังฆเพศนะถือว่าสงจะแตกทันมี้สองฝ่ายนะครับนี่ไม่เป็นสรังฆเพศจะเป็นสหรังฆเพศก็ต่อเมื่อ น, นะครับ ไปทำสุนทกรรมหรือว่าสวดปฏิโมกนะครับแยกกันในอุโบโสถเดียวกันเมื่อทําอย่างนี้แล้วจะเรียว่าสักฆเพศนะครับสังฆเพศนีงคือต้องมีอย่างน้อยฝ่ายละแปนะครับและเจือก เ, เป็นนิพพิฆาที่อยู่ ฝ, าฝา 1, า่ายเดียวกันนี่ครับพอเจอทางผสมสองฝ่ายแตกแยกกันถ้าว่าไม่คมนะฝ่ายนี้มีแค่อะไรฝ่ายนี้มีตั้งยี่สิบฝ่ายนี้มีแค่สาม มันก็ไม่ถึงไม่เชื่อว่าทั้งไม่ส่งแตกกันนะครับเพราะฝานี้ไม่ก็อบป้องสอคือต้องสองฝาที่จะแตกกันอ่ะต้องครอบป้องสองฝาโดยที่ไม่นับตัวนะนั่นเองผู้ยุยงทาไม่นับเ ม, มื่อเป็นแบบนี้อ๋อฝาลสีผิดนะจ๊ะฝาละสีฝาละสีฝาละสีเองว่าฝาละสีเนี่ยอย่างนี้เหรอแล้วทํญญาวพุทธกรมก็ดีสุดปฏิโมกข์ก็ดีแยกกันในสีมาเรียนกันอะไรครับอันนี้แหละ เึงจะชื่อว่าทำสกปเพศนี่นะเขาก็จะเกียรติการพยายามนะครับแอบนาแต่ที่ว่าดมาทีนี้ท่านจะบอกว่าที่สูนะครับที่ได้เห็นหรือว่าได้สร้างขาก็ดีนะว่ามีพระรูปหนึ่งกําลังทำสกปรกใหนะครับจะต้องไปว่างก่าวตักเตือยยนนะครับถ้าอยู่ในว่าเราเนี่ยเราก็เข้าไปหาทันเลยว่าเก่าวตักเตือยยนนะครับที่ท่านแนะนำนะ ท่านใหญ่ได้พยายามเพื่อทำลายส่งผูพร้อมเพียงกันเปนต้นนะครับการทําสมภเทศหนักท่านใหญ่ไปทําอย่างนี้ครับก็ว่ากับเตือนไปนะทุรูปนี้ต้องไปว่ากับเตือนนะไม่ไปไม่ได้ถ้าไม่ไปมีโทษต้ามาทุกกฎนะครับอันนี้ในวันนะแม้แต่ว่านอกวัดเราไม่ได้เห็นแต่ลราได้มี่าวถึครับในวักนจะนี้กลุ่มโยกครับคือแปดกิโลนะนะเราได้มีข่าวว่าข้างลุมไหนกำลังทําสมภเทศนะครับ ก็ต้องไปบอกนะครับถ้าบอกว่าทรงขาวส่งพูดไปไม่ได้ถ้าไปเองเนาะเราตายเองนะยกไปทั้งวัเลย <c oughs> <c oughs> ลไม่ยอมว่า่าแต่ดเตือนดุนะครับ <c oughs> ต้องอย่างนี้ถ้าถ้าไม่ยอมว่าการตั่เตือนก็จะโด่ทุกข์บนะคร <c oughs> แล้วผู้สูงที่ถูกว่าการตัดเตือนเขาจะเตือนถึงสามครั้งนะครับและยังไม่ยกเวลอีกจะต้องทุกข์กบอันนี้ถูกต่อถูกเตือนนะ <c oughs> ย่งไม่ถูกสืก่กรรมเขาจะเตือนก่อรอบๆเน่ย เปลียนเลยทั้งหนึ่งทั้งสองทั้งสามไม่ยอมต้องตะโกนนะครับเมื่อไม่ยอมเขา่าทําไงก็ลากตัวเข้าไปทั้ง <c oughs> ในโบเลยนะครับก็พาตัวเข้าไปในสีมาเลยแล้วยังไม่ตรวอีกนะครับตัดเตือนอีกสามครั้งท่าในสีมานะถ้ายังไม่ยอมก็ต้องอัมบัตตกนเพ่มอีกตัวนะครับทีนี้ท่านเลไม่ยอมเขาก็ให้สวดสะ ม, ม่ตภาชนะต่ำการที่สวดเพื่อออกลงตัดเตือนนะสวดไปเลย สามครั้งนะครับตอนตั้งยติรูปนั้นต้องบัตที่กดก่อนนะครับถ้าไม่ยอมนะตั้งยติแล้วไม่ยอมมันจะทําให้ได <c oughs> ้นี่ยส่วนที่สาธารณะสองครั้งนะครับต้องถึงกรจาสองตัวพอสวดครั้งสุดท้ายจบต้องบัตสันติเศสนะครับถ้าไม่ยอมแสลงนะข้อนี้เนีเ่ยจะเป็นอานแบบที่เกิดขึ้นมาในสมุขฐานเยร์ครับสมุขฐานที่สา กายวาจาจิตก็คือมีจิตหน้าที่ไม่ยอมสลัดยังยึดถือความประพฤติมันรู้ว่าทิฏฐินั้นอยู่นะครับส่วนกายกับวาจาคือไม่ได้แสดงออกมาไม่ได้บอกยอมด้วยวาจาหรือว่าการไม่แสดงออกมาจิตพยายามยึดมั่นอยู่นั้นนี้ก็เป็นทันเสร็จครับคนทียเป็นก็ยากนะทันเสร็จข้อนี้นะครับคนที่เป็นต้องมาให้ข้ามข้าตอนนะครับโอ้แต่ไม่มีใครกล้าทำหรือ หนันะครับแวก็ไม่ผ่านไได้โอเยโเคแล้วครับถ้าเกิไมนะครที่เกิดคำถามะเภทแล้ว่าท่านทงนี้สิงแล้วท่านน้แต่ว่าดลองไปินะแล้วแตกแยกอะไรเงี้ยยังยังยัง เขาแบบอาแบบให้ดูแบบบางทในทำที่แท้เบบเรามาแต่เขาต้อสิ่งนีมัานแตก่งนข้าม้ามอข้กน้ามีแบงอย่างนี้มันต้องเสียทำกรรมด้วยทำกรรมล้วสุดแต่มองแยกกันในสีมันล้สุดแต่ยังแยกกันด้วยไม่ใช่มันมันมันต้องทำให้ครอบเหมืงนั้นนะ เข้าไปนในสีมาในการอะไรนะถ้าแยทงทำพลัสีมานั่นก็มันเกี่ยวนะครับตอ้องทําไปใสีมาแยงแตกๆเอา น, น, นั่นเลยครับเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเขาแตกกันแล้วเขามันสามาัคคีกันแล้วนะครับอย่างนั้นเลยแต่ว่าทำไมทํำพลังที่ยังไม่เป็นนะในเรื่องของพิสูจชาวมงโกสัมพีที่เราบอกไวกเนี่ยนะครับก็จะมีพระนินัยทอนก็ทำผลงานก่าสุดปฏิโมก์กันในว้านพาระธรรมจันร์ถึงก็พาลูกศิษย์ไปทำนอกวัดครับนั่นนะ เขาไมทสีมาในสังารเเไม่ไม่เป็นแล้วแบบว่าย o l o สอืุ่สิ่งครับเป็นทุกสิ่งเียอืมาแนเป็นกลุ่มทุกสิ่ง่ขไอืมเไใช่หม้องเอาแล้ค้าั้งสิ่เเาไปกล็ลก่อนใช่ไปปั๊บ ครับครับขอครับครับถ้าใเขาแป้าไปไปิจท่รำนมี้ครับสีับสีอ่ครับครัรเป็นอย่างนันนะครับครับคบครับครับครับครับัครับครับรรครับครับครับ มาดูเรื่องประเทวทัพนะครับลงฟได้ฟงได้เรื่องนี้มาจากเรื่องพระเทวทําโดยสมัยนั้นพงว่าผู้พระเจ้าประทําอยู่หน้าพระเวรวรมิฐานอันเป็นสถานที่พระราชาเหลือแก่กระแตเขตนครนาจือคือครั้งนั้นพระเทวทัพเข้าไปหาพระโกกาลิกานะครับคู่หูครับโกกาลิกะกระตัดโมละกัลปิสกาวิชิยา เออใช่ครับาันดานเทวีบุตรภาคสมุทท่านนะรัและก็ได้กล่าวคานี้กับที่สุพวกนั้นนะว่ามาถึงอาวุสโสทั้งหลายพวกเราจะทําสังฆเพศจัพพเพศนะครับเรอจะทำสให้แตกกันจะทําจัให้แตก น, นะครับแก่พระสมณะโครมเมื่อพระเทวทัตกล่าวงนี้แล้วข้าโกบาลิกาก็ได้กล่าวกล่าวพระเทวทัมว่าอวาวุาโสภ้าสมณะโครโมมีฤิ์มากมีอำนาจมากม ฉนั้นเราจะทําสังกัดเพศสังกระเพศแก่พัะสมะโธรมได้แล้านะครับพระเดชระท่านก็เลยบอกเลยว่าจะทําด้วยวิธีไหนครับมาถืออุวุโสทั้งหลายพวกเราจะข้อข้อก็สมณะโธนรมทูลขอว่าดูห้าประการว่าค่าแต่ทองผู้เจริญควางประภัณฑกล้าทรงสรรเสริญคุณแหความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลาความกําจัดในการที่น่าเรื่องสายการไม่สะสมการรับความเพียรโดยอเนกปริยา ข้าแต่งพงผู้เจริญวัตถุห้าประการนี้เป็นไปด้วยความมักน้อยสันโดษพอแล้วนะครับนี่น่าดย อ, อนเนกปริยาข้าแต่งพงผู้เจริญข้าพูาเจ้าของประทานพระวโรกาสที่สุตรทั้งหลายควรอยู่ต่างตลอดชีวิตนี้ไหนนะให้ผู้้เจ้าบัญญัติกันเลยว่าทั้งหลายเนี่ยควรอยู่ปากตลอดชีวิตที่สูตได้อาศัยบ้านอยู่ทอดมืถึงเจ้าที่สูตรนั้นใครอยู่บ้านนั้นก็ปักอ่านบดเลย ส๋อโหอะไร่อยนั่นเนี่ยสองพิสุดข้าทั้งหลายควรเที่ยวบิดาบากตลอดชีวิตภิสุดธ์ดยินดีกลางนิมนตทอดถึงต้องี่สุดนั้นครับางนิมนต์คต้องมีขบ่ายเี้ยงที่อย่างเดียวสามสุงหลายควรถือผ้าบางสุขุนตลอดชีวิตภิสุดธ์ดยินดีผ้าข้าบดีทอดือถึงต้องี่สุท ต้องใช้ผ้าชาบงสุกุลอย่างเดียวนะใช้จีวรที่เข้ามาขวานี่ไม่ได้แนละ้วสี่พิสุทขิ์ทั้งหลายควรอยู่คนไม้ตลอดชีวิตอพิสุดใดค่าใสายที่มุงบางพทษมุสุกต้องพิสุกนั้นข้อห้านะให้จีเจ <c oughs> พิสุทธิ์ทั้งหลาย <c oughs> ไม่ควรฉันตาแล่เนื้อตลอดชีวิต <c oughs> พิสุดใดฉันตาแล่เนื้อพอษมันสุกต้องพิสุกนั้นอันนี้เลยนะย พอ้อมนาโคดมจักไม่สองอนุญาตว่าถุอห้าประการนี้แก่กล่าวไว้แล้วเดชาสมมติอนุญาตแ่ครับพวกเราเท้งนั้นจะโฆษณาให้ชุมชนเ ช, ชื่อถือด้วยว่าถุอห้าประการนี้อุสโสทั้งหลายพวกเราสามารถที่จะทำสกประเภศสกปรกเภทแก่ข้อสมณาโคดมได้เพราะว่าถื อ, รอประการนี้แลเพราะคนทั้งหลายเรื่องใสในรูปของปริธานก็คือคนทั้งหลายนะครับ เขาจะเลื่องใสในปฏิปราที่เศร้าหมองนะดูขานะครับปริประธานที่เศร้าหมองนึกว่าขัดเกลานี่นะก็คือพิสูจนที่ดูแล้วนะทรงจีวรนะครับปอมปนนะอะไรของใช้ก็อันแบบพอไปได้แล้วดูปอมปอนของเก่าอนี้นครับคนก็จะนํางถือสัทธานะอย่างนี้นะครับทีนี้เมื่อแกจะแกบอกวิธีการให้เพื่อนแต่งหน้ะแกก็เข้าไปเลยนะครับ ครั้งนั้นพระเทวทัพพร้อมด้วยบริษัทเข้าไปฟ้อมุขพลาดเจ้าที่ประทับแล้วชั้นแล้วถวายฟ้องมุขพลาดเจ้านั่นนี้วเส่อขัน้นด้การพึงคำนี้แต่ที่มุขพลาดเจ้ า, จาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ชนสรเสริญควความนับน้อยความผุนโดดความขัดกลวความคำัต์อาการที่น่าเรื่อมใสาการไม่สสการลบ ค, ความเพียรโดยอนเนกปิยาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวัตถุ5้ประการนี้อะอนะ ก็เหมือนเบอร์ดี้เลครับแล้วก็ทูลขอเลยก็ถูกปักฆาประการให้วุฒองสอนอนุญาตนะครับเมื่อพระเจ้าก็ห้ามว่าอย่าเลยเทวทัตที่สุดใดปัทธนาก็จองอยู่ป่าที่สุดใดปัทธนาก็จงอยู่บ้านพระเจ้าไม่สอนุญาตนะครับจะแน่ใจที่บักขอผลข้างหลังนะเป็นผลมุนจะได้มาหลังนะครับแต่นั้นให้จบพล้ววุฒองไม่สอนอนุญาตมีเหตุผลอยู่นะครับ ที่สุไดปัฏฐานก็จงเที่ยบบิดาบาี่สุไดปัฏฐานก็จงยินดีการนิมนต์พิสุไดปัฏฐานก็จงถืภาพมัตสุคุลพิสุดใดปัฏฐานก็จงยินดีภาพข้ามดีดูก่อนเทวคัตพราอนุญาตลูกขมูลสินะหน้าตลอดแปดเดือนเท่านะั้นเพราะว่าในสี่เดืนอนรื้ดูฝนนะครับผูพระเจ้าอนุญาตให้อยู่คนมากเพราะสี่เดือนรดูฝนแล้วฝนจะตกใช่ไหครับ และมันอยู่ไม่สะดวมันจะลำบากครับอนุญาตให้ตลอดแปดเดือนที่ไม่ใช่ฤดูผลและอนุญาตปาและเนื้อที่บริสุทธิ์ด้วยอาการสันมอี่ยคือไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นว่าเขาข้ามาเพื่อตนใช่ไหมไม่ได้ยินว่าเขาฆ่าเพื่อตนและก็ไม่ลังเกียจสงสัยไม่ระแวงว่าข้อข่าเพื่อตนทรนสสนะวดวงก็ต่างนี้นครับพระเทวทัพ น, นะพรว่พาพระเจ้าไม่สองอนุญาตอย่างนี้นครับรอ่านล้วมีปัญญายิ่งเลย โอ้แก oh, okay. ไม่รู้ท่องนะครับแกกําลังเนี่ยทําเหตุ <S 2> <S 2> <S 2> ที่ท้ายตัวเองไปนรกนะจะไม่รู้นะครับอย่างล่าเริงยิ่งยิ่งเลยพระพาทธเจ้าไม่ว่าูพระพาคเจ้าไม่ทรงนยามว่าถึงห้าประการนี้แล้วพร้อมด้วยบริษัท ล, ลูกจะอาสนะวังหวะพระพุทธเจ้าจะทําปทั้งศิ้หนึ่งไปนะครับและก็พร้อมกับบริษัทนะไปโฆษณาประชาชนเชื่อถือด้วยถึงห้าประการนี้ ก่ก็เลาเรื่องทั้งหมดนะว่าจะไปกราบพระพุทธเจ้าเนี่ยขออนุญาตพระตห้าประกาศนี้พระพุทธเจ้าไม่สรงอนุญาตนครับเนี่ยเราให้ฟังหมดเลยทีนี้ถ้าสมณะโคดวไม่สองอนุญาตพระห้าประการนี้พวกเราเท่านั้นสมมาหาปั๊บปึ๊บพตูห้าประการนี้อยู่ทำเสื่องเหมือนกับว่าแข้งนะแข้งครั้งขัดเอานะครับยิ่งบอกพระพุทธเจ้าอองนะครับบรรดาประชาชนชาวพระนครราชสุดุนั้น จำพวกที่ไม่มีศรัทธานะพกที่ไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสมีความรู้ทาไม่มีปัญญาครับก็ภางการอย่างนี้ว่าพระสมณะเชื้อสาก็สักญายบุตรเหล่านี้แหละรือพวกบวณทัตนะเป็นผู้กำจัดมีความพึกขัดเก้าส่วนพระสมณะโครมก็นผู้มีความมากๆดำรีผู้ความากๆครอ้ทำไมกลัวเลยนะ สุประชาจัมพุ่ที่มีสรัทธาเลื่องสายเป็นบัณฑิตมีความรู้สูงถ้าก็รู้นะครับ ว, ว่าอะไรเกิดอะไรแต่ข้อพังข้อแก่งข้อจิตเตรียมพงธนาว่าฉนัยพระเทวราชจึงได้จะเกียรตายการเพื่อทาําลายสงเพื่อทําลายข้อห้ามในวิจารณ์เล่าในวิจารณ์ของพระพ่างเจ้าเล่านะครับซึงต้องหาดีนประชาหลันเท่นโทษนะคะรับบรรดาเที่เนผู้มักน้อยสัมโดต่างขอแก่งข้อิตเตรียมพงธนาและก็การาดนินจเจ้าสงรับ แล้วมี้องตัดอไีัครับก็งเยรนี่ยงานวิธีกรรมก็ต้องตกคู้ีเริ่มนอะูนี้เริ่มแต่ก็มันก็เป็นพิธีกรรมอะทีนี้นะครับรวมก็เป็นชิงสงสงตอถามสงปิดเตรียมเพลระท่นแลวก็มีสุดทางวินี้นี่งเรื่องรต้องส่งนะ จะพูดอย่างคนท่ฟังนอข้างนะครับเกิดแบบที่ ค, ครงไม่ได้ท่งบางค่ำให้อยู่ป่าตลอดชีวิตเป็นต้นนะเพราะว่าที่สูตรแต่ละรูปแต่ละ น, นาที่บวชเข้ามาครับไม่เหมือนกันบางรูปที่มีร่างกายแข็งแรงพยาศัยใหญ่ใช่ั้มก็อยู่ป่านะครับก็จะสะดวกเจริญสมารถทําปฏิปปะและกาบรรลุได้ใช่ไหมครับแต่บางพวกที่มีร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงอ่อนแอเนี่อาจจะมีโรคนะครับ หรือว่าบางคนเนี่ยตอนที่หนุ่มๆก็อยู่ป่าได้อะไรสะดวกใช่ไหมครับแต่พอแก่ตัวเขามันก็ต้อไปอยู่ป่านะมันไม่สะดวกสบายเหมือนอยู่บ้านใช่ไหมครับถ้าไปอยู่ป่าแล้วก็จะ ล, ะะลาจนะําลบากนะร่างกายก็ไม่สะดวกนะถ้าลําบากร่างกายไม่สะดวกกรรมาก็ไม่จะเลยปฏิบัติก็ม่เหมือนลูกใช่ไหมครับเนี่ยพว้นั้กนก็จะพลาดโอกาสไปนะถ้าบอกมันอยากให้อยู่ปอกในป่านะผู้นั้นจะพลาดโอกาสไปแต่พู้นั้นถ้าอยู่ในบ้านก็สา ม, มารถศึกษาปฏิบัติธรรลุได้ ก็เลยไม่ได้มีคราค่ะใช่ถ้ช่ใช่่ใไ่่ใช่ใช่่ใช่ใช่า่ แน่ั้ก่อนรับในท่าินี้ขอความเจริญงอกในธรรมวินัยของพระธารมค้นจงมีเกจดข่้นาหลายด้วยกันทุกท่านเทวทัตต้องการจะทำสำาร็จใช่ไหมครับก็เลยไปหาข้าวพวกนะมีผ้าอะไรเนี่ยโกการิกาเนต้นคือหูเขาเสื่อมคันเาเนี่ย แล้วถ้กโกาโครงการดิกาเป็นต้นแล้วก็ปรึกษาหารือกันบอกอบายครับที่ว่าจะทําลายส่งจะทําลายยังไงก็ด้วยการอ้างวัตถุห้าประการไปทูลนครพระเจ้าขอา อ, อนุ ญ, ญาตวัตถุห้าประการที่แกขอแกตั้งใจไว้แล้วว่าพระเจ้าจะไม่อนุ ญ, ญาตแน่นอนนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้ก็จะทําสงประเทศได้ทีนี้มีคําอธิบายเกี่ยวกับวัตถุห้าประการ เทวราชมันสอนวิชาคอยอะไรก็จะมาที่บ้านตรงนี้เกาะห้าร้อยเจบสามเมื่อวาอะไรให้อยู่ป่าเป็นวัดใช่ไหมครับถือปีศาบาเป็นวัดนะครับอะไรนะครับกินเจเป็นวัดถือ้าตุมงคลเป็นวัดอยู่คนไม้เป็นวัดนครับอยู่ปาเาแล้วคก็ได้ห้ เนี่ยทีนี้พระุทธเจ้าถามว่าอะไรที่ถู่ใดปัตถนาใช่ไหมครับที่สู่นั้นก็จงอยู่ป่านะครับมีนะที่ถู่ใดปัตถนาก็จงอยู่บ้านอันนี้ไม่บังคับนะครับมีเหตุผลท่านบอกว่าอ่ากลุ่บุตรควรทราบความประสงค์ของพระพุทธเจ้าแล้วทราบความสมควรแก่ตนจึงอยู่ความประสงค์ของพระพุทธเจ้า ในคําว่าโยอิชติพิสุได้ย่อมปัตนาเป็นต้นนี้ดำต่อไปนี้พิสุรูปหนึ่งมีอัธยาศัยใหญ่มีสาหามาย่อมส า, ามารถเพื่อนงดเสนาสนะใกล้แดงบ้านเสยียแล้วอยู่ในปากกระทํำพิสุแห่งทุกข์ได้นี่นะอันนี้ผู้ถึงรูปแรกนี่ก่อนนะครับลักษณะนี้นะอัธยาศัยใหญ่สหามามีเรี่ยวแรง ม, มีกําลังอะไรดีนะครับจิตใจเขาแข้งแข็งนะ สามารถได้อยู่ในสถานาป่าได้แล้วก็ปฏิบัติจนบรรลุได้นะครับท่านบอกว่ากระทำที่สุดทุกได้นะอยู่ในป่าแล้วก็สามารถจเจริญกรรมฐามนจนบรรลุไดนะ้ที่สู่รูปหนึ่งอัอีกรูปหนึ่งนะมีกําลังอ่อนแอครับจะแก่แล้วนะร่างก า, ายไม่ค่ยแข็งแเหมือน่อก่อนนะหรือว่าเป็นคนที่มีโลกมีอะไรนีครับมีเรี่ยวแรงน้อยย่อมไม่สามารถจะอยู่ในป่ากระทำที่สุดทุกได้ สามารถแต่ในคามาเขตเท่านั้นเองครับคือถ้าเขาไปอยู่ป่าปล๊มเนี่ยมันจะไม่สตปปาร์ย่าเท่า้ารู่นนี้นะเพราะร่างการไม่ไหวใช่ไหมครับถ้าไปอยู่ก็มีความลำบากจะไม่สตาร์ย่าเมือ่อเมื่อเป็นสตปปาร์ย่าเนี่ยเขาก็ไม่สามารถเย็บบรรลุในปาได้แต่ถ้าอยู่ในหมู่บ้านนะอยู่ในเขตบ้านนะก็ยังสามารถบรรลุได้ในสา น, นี้รูปหนึ่งมีกําลังมากมีา่าเป็นไปสมองเสมอในแข็งแรงมากนะ สมบูรณ์ด้วยอธิวาสนาขำตนะิมีจิตคงที่ในฐานลมและอนิจฐานลมแต่ไม่หวั่นไหวเลยนะในอารมณ์ทั้งแนบสนาไม่แนบสนิทนะครับไม่หวั่นไหวเลยย่อมสามารถทั้งในป่าทั้งในเขตบ้านได้นะ้งนั้นอยู่ในป่าก็บรรูุได้อยู่ในบ้านก็ปฏิบัติบรรูุได้นะครับรูปนี้น ะ, ะรูปหนึ่งรูปสุดท้ายนะครับไม่สนผู้ชมรูปหนึ่งไม่อาจทั้งในเขตบ้านทั้งในเขตป่า คือเป็นประทฐมปรามาสคนรูปสุดท้ายอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะยังไงยังไงก็ไม่ได้มาดูครับ <c oughs> ทีนี้เมยบอกอ้าวแล้วที่สูรูปไหนนั้นบราราสี่รูปที่ว่ามาเนี่ยรูปไหนควรที่จะอยู่ป่านะครับบรดาที่สูรเหล่านั้นที่สูรนี้ใดรูปแรกนะครับมีอัธยาศัยใหญ่มีสาหามากย่อมสามารถเพื่อมสนสนะใต้แดนบ้านเสียแล้วอยู่ในป่ากระทำที่สุดทุกได้ พี่สู่รูปนั้นจงอยู่ในป่าเท่านั้นเถอดนะครับนี่ให้อยู่ป่าเลยนะคะรับลูกนี่นะพอาะถ้อยู่ป่านั้นจะบรรลุได้นะการอยู่ในป่านี้สมควรแก่เธอแม้พวกสัตว์วิหาริเป็นต้นของเธอศึกษาตามอยู่จักสาคัญข้อที่ตนควรอยู่ในป่าด้วยนะครับนี่นะไม่ได้เป็นประโยชน์แก่ท่านอย่างเดียวนะก็จะเป็นประโยชน์แก่ลูกศ้กหาของท่านาต่อไ ป, <ม>ไปด้วยนะครับ เขาจะถือเป็นที่ฐานสติใช่ไหมเอาเยี่ยงอย่างครับวัคุบาลจานแล้วก็ไปอยู่ป่าศึกษาปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้มนุษยนะตัวเองก็อยู่สําคัญมากเนี่ยเรากควรจะอยู่ป่าฌนะานวัคุบาลจานเนียจะได้ปฏิบัติธรรมสาเร็จนะครับเนี่ยเป็นประโยชน์มากเลยนะอันหนึ่งที่สุรูปใดมีกําลังอ่อนแอนมีเรี่ยวแรง น, น้อยย่อกอส จ, จักระทอมที่สุดทุกได้ในแดนบ้านเท่านั้นในป่าไม่อ พิสูจนั้นจงอยู่แต่ในเขตบ้านนั้นก็ได้เนี่ยรูปนี้ก็อยู่ในบ้านเลยค่ะคือลายหรอกพออยู่ป่าถ้าไม่สะดวกจริงๆนะก็อยู่บ้านนะพออยู่บ้านทำปฏิบัติได้ส่วนพิสูรูปใดซึ่งมีกำลังแข็งแรงมีท่าเป็นไปสม่ำเสมอสมบูรณ์ด้วยที่วางชนะคันติคันติคือความยอมรับได้นะครับหนาวไปหน่อยร้อนไปหน่อยลำบากหน่อยมีใครมาด่ามาว่าทํำร้าอะไรนะอันนี้ยอมรับได้หมด ลมไม่หมดไม่เดือร้อนใจไม่เดือดร้อนมีจิตคงที่ใ น, นอิทารมและอานิทารมย่ออ่านทั้งในป่าทั้งในแดนม้านสี่ดิบจะอยู่บ้านก็บรรลุได้ครับเพราะว่าถ่งจะ เ, เจออะไรวิสภ า, า, าค้าศึกาทั้งก็ไม่หวั่นไหวนะอยู่ในป่าก็บรรลุได้ครับแม้รูปนี้จงละศีลนสนะใกล้แดนบ้านสีแล้วอยู่ในป่าเถอด หรือไม่เป็นอย่างนี้นะอยู่ในบ้านก็มันรู้หน้ป่ากมันรู้ได้ท่านก็บอกให้อยู่ในป่าเถอะเพราะอะไรกลางอยู่ในป่านี้สมควรแก่เธอแม้พวกสถิวิหารนี้เป็นต้นของเธอศึกษาตามอยู่จากสําคัญข้อที่ตนควรอยู่ป่าคือจะเป็นประโยชน์กับคงอื่นด้วยที่จะถือเป็นแบบอย่างส่วนพิจุนี้ใดซึ่งไม่อาจทั้งในแดนบ้านไม่อาจทั้งในป่า เป็นปัททะประมาบุคคลปัททะป ร, ะา ม, ประมาบุคคลแปลว่าผู้มีบทเป็นอย่างยิ่งนะครับหมายคือว่าผู้ที่ต้องฟังธรรมะนะหลาบทหลา ย, ลายการนะฟังแล้วฟังอีกทุกเช้าวันนึงก็แล้วแต่นะยังไงก็ไม่ได้บรรลุ ค, ครับผู้นี้เนียเนี่ยปัททาปรมามีบทเป็นอย่างยี่คือต้องฟังต้องศึกษาต้องเรียนมากแต่ยังไงก็ยังไม่ได้บรรลุนะครับตรง น, นี้อยู่ในในป่าในบ้างก็ไม่อ่านอ่าทนั้นนะ แม้รูปนี้ก็จองอยู่ในป่านั้นเถิดนะครับเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าการเสดทุดองคุณและการเจริญกรรมฐานนี้ของเธอจําเป็นอุปนิสัยเพื่อมักและผลต่อไปเนี่ยอนาคตครับจะเป็ น, ปนปอ <c oughs> ุปนิสัยต่อไปใช่ใช่ใช่เป็นอุปนิสัยต่อไปนะ <c oughs> องค์ที่ <c oughs> ประทับ ป, ปามากบุงคลอาจารย์ จะอยู่ไหนยังไงก็ไม่ได้มารล่นะอันนี้ก็บอกว่าให้อยู่ในป่าครับ<อ>จะได้ติ็นสัยต่อไปนครับนสัตวเลยี่สว่าทัยต ท, ทุกโลกเลยใช่ไหมเพระอยู่ป่าอไรัเนีย <c oughs> ถ้าอยู่ได้นะที่มันสัปายนะครับมันหายากในที่ว่ามีสัตทั้งหมดเอาเอาไม่ทั้งหมดก็ได้ครับสมมติว่า เราไม่สามารถที่จะหาสัตยายะทั้งหมดเราการยานิมิตก่อนใครนั้นมีการยะนิมิตบุคคลเป็นสัตยายะก็อยู่ได้นะครับแต่ถ้ากัรยานิมิตไม่มีนะบุคคลที่จะได้รับสงสาไม่มีนะที่ทั้งหลายที่ว่ามาก็ไม่เรียกว่าสัตยาะนะครับถึงมันจะสะดวกสบายอะไรก็แล้วแต่นะก็ไม่เรียกสัตยาะสัตยาะคืออย่างอย่างน้อยเนี่ยสำคัญที่สุดนะต้องมีการยานมิตอยู่นะครับเนี่ยเพราะว่าถ้ามัหาไม่ได้จริงนะ เพราะสมัยนีม้มเป็นมันยากใช่ไหครับล้วก็ดูที่มีกรยนนืยนมที่ไห น, นมีนะถ้มันจะทำไนาะทาไม่ได้ใช่ครับมีมรออยแล้วอมครับออนี่แหละเราก็หากระกางถ้าไม่ได้อยู่ป่า ก, ก็ไม่ได้สมัยนี้นะถ้าในป่ามาหากรยามันไม่ได้นะครับเอาในบ้านก็ได้ที่มีกรนนืนี้ครับตัวนี้สาคัญ น, นะสาคัญมากเลยนะครับ ผมเคยบอกผ้าที่มีบาหลีกับผมว่าอย่าไปใกล้เครือกินดาห์นะ <c oughs> หมายความว่ามีครูบาอาจารย์ที่แนะนําสั่งสอนเรื่องการปฏิบัติอยู่ที่นี่นะครับม <c oughs> ันมีเวลามีโอกาสก็เข้าปฏิบัติเลยนะครับ <c oughs> อย่าเดือดแปนั่นนะเพราะาไม่แน่ในนอนชีวิตเราแล้วครูบาอาจารย์นะครับต่อไปจะไม่มีแล้วนะก็นอนอนอว่างเรื่อยๆนะครับ <c oughs> ถ้าเราไม่ปฏิบัติเลยนะเอาอยู่ว่าเขาสิบปีองอยู่ห้าปี <c oughs> เอาคุณเคยปฏิบัติไหมใาน่นี้เคยไปลองเคยอะไรเข้าะไมไม่เคยเลยโอ้เสียดายนะครับเสียดายนะอคครับไม่ใช่เราก็ศึกษาครับเราอยากจะรู้เราต้องศึกษาเราต้องมีข้อมูลบ้างศึกษาคำวินัยพอรู้บ้างใช่ไหมครับแล้วเราก็ไปลองศึกษาแล้วก็ปฏิบัติามครับนี่นะ ยังเรายังไม่ต้องปฏิเสธเร้่นี้ไม่ต้องยอมรับก็ได้แต่เข้าท้าพิสูจน์นะเค้าท้าพิสูจน์เลยนะครับเห็นผลได้ไหสงสัยถามได้ตอนไหนวังไงครับเข้าท้าพิสูจน์เลยไม่เชื่อเป็นไรจะพิสูจน์รปัแค่นั้นเองครับใช่เรียน่างเรียน่ารถไิอย่างชไหมครับเารเยอืก็เรียน มาเข้มาอย่างนี้นะครับเรียนหรือวรียนนทำที่ใ็นที่ทครับต้งปฏิบัติตามที่ดของคณะเจ้าคณะอะไรอ๋อครับก็ควาจริงก็เครื่องครูน้าจะเรียนที่ทำนะครับแต่เรียนที่ไหนเนี่ยก็เครื่องครูใการปฏิบัตินะครับเพียงแต่ว่าเวลาไปปฏิบัติจริงน่ะเราไม่เอาปริญญาไปใช้ขั้นรุ่นแต่เราเอาความเข้าใจไปใช้นะครับ ไม่ได้ดไปนนั่นอันนี้แค่นี้ก่อนก็ได้นะมาดูวันนะครับเดี๋วข้อี่ไหนแต่ว่าท้าพ่สูจนนะเอาแม้พวกนะครสัตว์ที่วิหาริกเป็นต้นของเธอเมื่อศึกษาตาจากสำคัญข้อที่ตนควรอยู่่าชนิดเลยเหนือนะอพิสูน์นี้ใดซึ่งเป็นผู้มีกำลังอ่อนแอมีเรี่ยวแรงน้อยอย่างนี้ เมื่ออยู่ในแดนบ้านเท่อนั้นจึงอา่านเพื่อจะทอำที่สุดทุกได้ในต่างไม่อา่านนะครับึ่งคุณพระเจ้าทรงหมายถึงบุคคลเช่นนี้จึงตรัสว่าโยอิชติคามันเตวิหาระตุพิสุใดาสาคณะพิสุนั้นจงอยู่ในแดนบ้านเถอดนะครับเนี่ยหมายถึงรูปนี้นะครับดังนี้และบุคคล น, นี้ได้ให้ช่องแม้แก่คนหลับ น, น, นะครับคือคนอื่นก็บอก้า ه, เนี่ยพระองคนุญาให้อยู่บ้านให้ไม่ไร เราก็อยู่บ้านนี่เราอยู่ปา่าทำไมแต่กวองอ่นวฟตัดไม่ถึงอย่างนี้แต่ว่าถ้าคุว่าในป่านะมีครูบาอาจารย์มีกระไรนมินสัพพายะนะแน่นอนกมาถาให้เราไปปฏิบัติแทน่อเน้ำทํำาทาได้ครับก็ไปครับกไปครับนี่ครับอ <c oughs> ๋อครับเอาป่านะ <c oughs> เขาไม่ได้ป่าดงดินป่าทุบเลยนะครับปาที่แบบว่าสามารถบินทบากกลับมาแล้วก็กลับตุติทันนะครับกลับบ้านได้ไปฉันทันนะครับไม่ใช่อยู่ไกลโถจะเป็นตุนมามากมากะป๋องหรือให้ในไปหุงหาหาให้มีขนาดนั้นนะครับอย่างน้อยสุดหน่อแค่กกลจะมูบ้านหนึ่งกิโลนะก็เรียกว่าป่านี้แล้วครับไม่ไม่ใช่อ่าม่ไมไม่ใช่ขนาดนั้ครับ แต่ความจริงที่ว่าพระ้ามันเกือบหน้าเป็ ป, เป่าแล้วนะแต่พอดีมีบ้านน้อยไปอยู่ครับ<ะ>้านอยู่บ้านเล็กๆอยู่อมอนก็เลยไมแน่ใป่าที่เราต้องอยู่ที่ต้องเลือกนะต้องดูอรดอกลายา น, นนะิตเป็นคัญนะดังนั้ น, นอย่างนี้นะครับอันนี้ได้อเ อ, อ, อแล้วมีนี่หนึง่งก็ถ้าว่าเมื่อผ่านเจ้าคือ ทรงรับรองวานทธาตุของพระเทวทัพายบุคคลนี้ใดที่มีกําลังอ่อนแอมีเดี้ยวแรงน้อยตามปกติถึงบุคคลใดสามารถอยู่ในป่าสําเร็จได้แต่ในเวลายังเป็นหนุ่มต่อมาในเวลาแก่ตัวลงหรือในเวลาเกิดธาคุผลเลิกนะเพราะลมและดีเป็นต้อนอยู่ป่าไม่สําเร็จแต่เมื่ออยู่ในแบบแดนบ้านเท่านั้นจึงอาจกระทันที่สุดทุกได้บุคคลเหล่านี้จึงพึงสูญเสียอริยะมากไป ไม่พึงบางลุกอาจขาดสมผลไดนน้ถ้ามังเขา้าให้อยู่แต่ในป่านั่นนะข้จะสูญเสียไปเลยถ้าได้อยู่ในบ้านก็จะบรรลุได้แล้วนะครับอสุสรนพึงกลายเป็นนอกธรรมนอกวิไนยยุ่งเหยิงไม่เป็นไปเพื่อ น, นําออกจากทุกขนะ์สําหรับบุคคลนั้นนะเขาจะรู้สึกอย่างนี้ไงนะครับโอ้เนี่ยยุ่งเหยิงวุ่นวายเหมือนเราอยู่ป่านี่ผมบรรลุเห็นอะไรนะครับ และพระศ า, าสดาจะพึงเป็นผู้ไม่ใช่พระสัพพันญูของบุคคลจำพวกนั้นทั้งจะพึงถูกตาหนิติเตียนว่าทรงทิวาท่าของพระองค์เสียไปตั้งในว า, าวท่าของพระเทวทัตดังนี้นะครับเพราะฉะนั้นที่ว่าเจ้าเมื่อจะทรงสงครอบบุคคลทั้งหลายที่เหนปานนี้จึงทรงปฏิเสธวาท่าของพระเทวทัตนะครับไม่ใ้เรื่องที่เหลือนะ เรื่องแห่งพิสูจน์ผู้เที่จะบินดาบาเป็นวัด ก, ก็ดีผู้ถือป้ามศุขคุณก็ดีอยู่คนไม้ก็ดีนะครับก็มีคํามที่บาสนอง น, น, นะครับต่อไปนะครับอี่าเรื่องฉันเจพระเทียวท่านบอกว่าให้ฉันเจตลอดชีวิตใช่ไหมห้ามฉันปลาแร่เนื้อครับผู้ถือองว่าบอกว่าทรงอนุญาตใช่ไหมปลาแร่เนื้อที่บริสุทธิ์บริสุทสานะครับ หมายความว่านะครับเอ่อไม่ได้เห็นไม่ได้ยินและไม่ได้รังเกียจว่าเขาฆ่ามาเพื่อเราท่านก็อธิบายว่าที่ไม่ได้เห็นคือไงครับไม่ได้เห็นชาวบ้านฆ่าเนื้อและปลาเอามาเพื่อประโยชน์แก่พวกพิสุทธ์นะครไม่ได้เห็นเลยนะครับตรงๆไม่เห็นเลยนะและก็ไม่ได้ยินด้วยว่าพวกชาวบ้านฆ่าปลาในเนื้อเอามาเพื่อประโยชน์แก่พวกพิสุจธ์ส่วนที่ไม่ได้รังเกียจนะครับ อันไม่ได้ลังเกียจท่านแตกออกเป็นออกเป็นสามอย่างนะก็คือนะครับผู้ศึกษาควรรู้จักมังสะที่ลังเกียจด้วยการเห็นลังเกียจด้วยการได้ยินแล้วก็ลังเกียจพ้นจากเหตุทั้งสองนั้นที <c oughs> นี้เป็นอย่างไรทีบอกว่าเกียร์รังเกียจด้วยได้เห็นนะหมายความว่าเราไม่ได้เห็นเ ข, ข้าไปฆ่าสัโดยตรงหรอกแต่ว่าผู้พิสูจน์ในธรรมวินัยนี้เห็นพวกชาวบ้านชี้แหและตาขายเต็นต้น กำลังออกไปจากบ้านหรือกาลังเที่ยวไปในป่านะครับแล้วเราเห็นเมื่อวานะเห็นอยู่นะพอมาโุ้งขึ้นหน้าก็เห็นชาวบ้านพวกนั้นแหละอเอาพวกปลาพวกเนื้อมาเข้าอ่างนะครับมาถวายแจกพิสุพวกขเข้าไปยังบ้านนีเพื่อบริบาร์พิสุนั้นก็เลยรังเกียจึ้นมานะครับว่าพวกชาวบ้านทำเนื้อเพื่อประโยชน์แก่พวกพิสุดีนอนแหละนะครับอันนี้ชื่อว่ารังเกียจด้วยการเห็นนะพอไปเห็นปุ๊บ มีเพีเช้ามาในวันะครับเอันนี้ถือว่าสงสยนะงัยแล้วนะครับงเสียได้นะครับถ้าบอกว่าแต่ละ บ, บังศสะร์เช่นนั้นมันกลัว่อดบางเสียไปแล้วนะครับแต่บังสาที่แม่บังเกียนะครับอย่างนั้นควรอยู่แต่เราสามารถถามเขาได้นะว่าเนี่ยโยนะครับชาาบ้านก็สงสัยว่าทําไมไม่รับาใช่ไหมล้วก็ถามนะครับถ้าเขาบอกเราว่าพวกกผมไม่ได้การทำเพื่อประโยชน์แก่ที่สุดทั้งหลายนะครับ พวกผมกทําเพื่อประโยชน์แก่องเพื่อประโยชน์แก่ข้าราชการเป็นต้นบ้านอันนี้ผมควรนะครับนเราถามเขาได้ถ้าสงสัยถามได้ถ้าเขาบอกไม่ทํำสองคนที่รานีก็ได้แม้คำว่าได้ยินเหมือนกันนะบังเกตุนั้นได้ยิ น, นครับอันนี้มันได้เห็นเองแต่ได้ยินมีชาวบ้านหรือมีผ้าเนี่ยอะก็แล้วแต่นะมาบอกเราฟัง ว, ว่าเนี่ยที่เมื่อวานเหมือนพวกชาวบ้านนะ ถือมือถือแห่ถื อ, อตาขานิเที่ยวไปในป่านะนี like mm ้นะครับพอรุ่นขึ้นเข้าไปอาหารมีปลาได้เนื้อมาหว่านะครับอันนี้เหมือนกันนะถ้าเราจะลังเกียจสงสัยแล้วก็ไม่เลานะครับเนี่ยเราก็ถามเขได้นะถ้าเขาบอกความจริงว่ามันไม่เจาะจงผลักก็ฉันได้ส่วนสุดท้ายเนี่ยลังเกียรแบบไม่ได้ลังเกียจด้วยได้เห็นด้วยได้ยินนะครับอที่สุดทั้งหลายไม่ได้เห็นและก็ไม่ได้ฟังมาเลยว่าเขา เข้าไปในปลาหาล้าสัตวะไรนี้นะแต่เมื่อคู่วิสุเหล่านั้นเข้าบินเดบาร์ยังบ้างนั้นชาวบ้านรับาตรเสแล้วนำบินบารมีปลาและเนื้อนํามาถวายครับคือข้าอาหารเนี่ย <c oughs> มีปลาแลเนื้อมาถวายยุยเรากัลตัวกำเจิดขึ้นมาเองครับกลังเนิดขึ้นมาเองนี่เนี่ยเข้าไปฆ่าปลาฆ่าเนื้อมาเจาะจงถวายเราลูกบาศก์สงสัยขึ้นมานะครับอย่างนี้ก็ไม่รับนะครับไม่รับ ถ้าก้าวขาแล้วเราก็ไม่เล่าใช่ถ้าเราลองเกี่ยแล้วก็ไม่เล่ถึงแม้ว่าอยู่ลังเกลียขึ้นมาเองนะอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้เลยถ้าเราไปรับนาครับอ๋อรับแล้วันค่ะเดี๋ยวอนีครับเกียูอนัจู้จี้เกขึ้นมายอนเกลี่ยยากจังยากอไม่ใช่เขียนวินัยรับที่บ้านเขาฟังได้ ที่แบบตอนนั้นนะโยมแล้วก็บอกโยมเอไอปลาและเนื้อเนี่ยโยมค่ามาเจาะจงหัวท่านเนาะฆ่าปลาเละเนื้อมันฆ่ามาเจาะจงสมไว้่านหรือจะพรอยหบือเถ้าเขาบอกไม่ใช่ครับผมก็ไปล่าอะไรมากินเองเหรอพี่หรือผมไปซื้อมาพี่ซื้อมันจะกตลาดตายแล้วเขาวาง้ายเนี่ย ผมไม่ได้ไปฆ่าจอดสงฆ์อย่างนี้ก็มันเป็นไรนะครับเนี่ยท่านท่นก็บอกนะถ้าเราถามแล้วเขาก็บอกว่าอะไรพวกผมไม่ได้การทำเพื่อประโยชน์แกที่สูทั้งหลายพว ก, กผมจะทําเพื่อประโยชน์แกต้นบ้านเพื่อพราชการเป็นต้นบ้านหรือว่าพว ก, กผมได้บอกว่าตามบังสัตว์บอกว่าตามบังสัตว์ก็หมายถึงเนื้อที่มันตายที่เข้าวางขายในห้องตลาดนะครับอันนี้ไม่เป็นนะครับฉันได้ไม่เป็นอาบัต คนนี้ถ้าเกิดเราถามเขาอะแล้วเขาบอกว่าเขาไปซื้อมาไงแล้วบอกันนี้ค่าเราไปซื้อแล้วก็้มาทาไหกแล้วเราก็ถาได้คนรับใช่ใครกันคนค่าะคนที่เขาตั้งอขาฆ่ามาตลอดคนขายคนค่าเขาบอกว่าเขคโยงเรื่าเนี่ยมันก็มันก็ไม่เสียวกัตรงนั้นแหละม่เนี้อยู่ที่ใช่ใช่เขาซื้ออาชี่ตายมาแล้วใช่ไหมาไม่นด้ซื้อที่เป็นมาอ๋อถ้าเป็น ไม่ได้เขาทาให้คือเขาไปล่ามเองอะไรที่นั่นค่ะขอค่าให้คือเพราะอันนี้ก็ไม่ได้ให้ค่าเราก็ไม่รับเลยคือทีมานเราไม่ยอมทำตรงนีว่าเรื่องอะไรต้องให้ทักก่อนคือเหมือนการตุ้ใจในัวก็มีเห็นเนี่ยต้องทำให้สักกอนเีรื่องอะไรต้องทำให้ทำให้ยอมกันแนี้ถืว่าช่วยกัน แล้วก็ต้องมันอยู่ที่เขาเท่าว่าเขาจงใจจะฆ่ามาเพื่อฆ่าหรือเจาะหรือว่าเขาไม่ได้จงใจนะเขาจะเอาไว้กินเองแหละหรือว่าเลี้ยงแขกขึ้นมาในงานที่เดี๋ยวว่าเขาก็จะแบ่งส่วนเปถวายาพระนั่นเองแต่เขาไม่ได้เจาะกัาเฉพาะนั่นเ ท, ท่านนะะที่บางมันก็มีเนะื่เวลามีงานมงคลแต่งงานขึ้นบ้างหม่อะไรเนี่ยเขาต้องแบ่งส่วนเป็นถวายนระแต่เไม่ได้คืาหมูเพื่อเ จ, อจาะจมมถวายพรานะเขาควเลี้ยงแข็กในงานที่มาะครับ แต่ระหว่างพระฤาษีน้ยงเขาที่ต้องเขา้าต้องมาทำท่าสองชั้นนะครับท่อันนี้ก็ม่เชื่อว่าเจับตรงท่อนะครับรับได้เนี่ยเป็นอย่างนี้ครับอันนี้จะจนะก็ได้ตรงเนี้ยท่านบอกว่ามังสาที่เขาทำอุ่ที่แกะพิสุในวัดหนึ่งนะครับพวกเธอไม่รู้นะฮะแต่พิสุอีวัดหนึ่งรู้ใครรู้ไม่ควรแกบพวกนะ้นพวกที่ไม่รู้ก็ไม่รู้เนี่ยแล้วฉนันได้าอีย่งไง นะครับข่าบอกว่าพวกเนอพวกอื่นไม่รู้แต่พวกเธอเท่านั้นรู้ย่อมไม่ควรจะพอกพวกเธอนั้นนะครับแต่ควรสำหรับพวกอื่นนะครับอันนี้สรุปเลยนะท่านบอกว่าสุดตรงนี้เลยบันดาษธรรมิกทั้งห้านะครับมังสาคือเนื้อนะอันนี้เขาทําเจาะจงเพื่อประโยชน์แก่ศาสตธมิกลุ่มใดรูปมหนึ่งก็ต่างนะครับย่อมไม่สมควรแก่ศาสธมิกทั้งนั้นนะครับถ้าเรารู้เข้านะ เขาจะเจาะจงฆ่าเพื k k ่อใครก็แล so <the> ้วแต่พวกเราเพื่อนเพื่อนิสูจนพิสูจน์นิสัยธมนาสำเนียงสำเนรีถ้าเรารู้ค่ามีฉันไม่ได้ไม่ได้หรือนะคุเรียนอุติสุนทรที่วัดที่ี่บัดมีงานเนี่ยเรารู้ว่าเรืว่าเขามีฆ่าด้วยเนี่ยเขาม่มาเราต้องใส่ใจนะเพราะคุณต้องมีฉันแน่ถ้าเกิดเขาไม่มีฉันแล้วก็ทำไม่ได้คือเราจะต้องรู้ว่าเขาค่าจกตรงพวกเงหรือเปล่า หนึ่งประมาณนั้นแต่ช่องไม่ได้ห้าจอดตรงมันก็ไม่เป็นครับถ้าลองเขียนแล้วก็ไม่ต้องฉันลังเขียนแล้วก็ไม่ต้องลองเกียนว่าเราค้าจอดตรงเรานี่ครับเอาที่ข้ามเลยผมอยากดูเขาจะว่ารับปากัองเนี่ยมันต้องนะจะต้องตรงที่มันฉันนะครับแต่ความจริงเนี่ยรอธิบายให้าฟังดีกว่า ประกาศความานี้เขารูาา้เขาจะได้รู้ครับตรงนี้เขาจะเป็นแบบกดนะครับ<อ>เป็นกดนะครับวิธีามบปเรมาบกดคนาจะตองเองตองเยอย่าไปอย่างนั้อย่าไป <c oughs> อย่างนะั้นไม่ะครับเขาบอกว่าเนี่ยท่านถามว่ามีบุคคลบางคนเขาฆ่าสัานะครับเ<ม>จาะจมิสูรูปหนึ่งนะแล้วก็มาใส่เต้บะอะไนะครับโอ้โหถวายแก่รูปนั้น เธอก็รู้ทั้งรู้นะว่าเนี่ยเขาฆ่าเพื่อตรงนะครับท่านก็รับไปตอนที่รับไปไม่บอกว่าเป็นอ้างบัตรนะครับแล้วก็ไปเทววาที่สุรูปนึงแล้นก็ไม่ได้บอกนะว่าเนื้อนี้นผมได้มันเขาฆ่าจาะจงนั่นไม่บอกความจริงไม่บอกบอะ ไ, ไรเลยนะครับเอาผมได้มันหวังที่ก็แล้วกันนะครับที่สุรูปอื่น น, นั้นฉันด้วยเชื่อที่สุรนะขเข้าใจว่าเขาคงไม่ได้ค่าเจาะจงใครเพราะข้าลูกนี้เอามาให้เราครับก็ามันค่าเจอดจงใค้ใ ห, หน่ๆนะ ท่านก็เลยเล่ามาฉันนะครับท่านถามว่าใครต้องอาบัตรเล่าต่อว่าไม่ต้องอาบัตรแม้ทั้งสองรูปเพราะ อ, อะไรมังสาที่เ้าทําเจาะจงที่สูจน์ใดไม่เป็นอาบัตรแก่พิสูจนะ์นั้เพราะเธอไม่ได้ฉันอลึงดีเจาะจงท่านก็ไม่ได้ฉันและไม่เป็นอาบัตรแต่พิสูจนนอกนี้เพราะไม่รู้ครับนี่ยก็ yeah. เลยพ้นสองรูปเลย น, นี่นะครับยอดอ่านบัตรประชันเขาดูได้ครับ แว่าถ้าฉันก็ต้องรับป้องอย่างอย่ถ้าบมันฉัที่บ่อฉนนั่นและ้เดินกระดัทางี่เว้ยนี่ไรไหมหนุพี่อะไรก็่ควรแหเนี่ยนี่ถ้าบอกว่าแท้จินในการรับกัปตันมังสไม่เป็นอาบัตอนที่รับประกันยัไม่เป็นนาจะเป็นตอนที่ฉันถ้ารู้ทางร้กับ่ฉันะครับอันนี้ถ้าว่าถ้าทำจอดโจงเราเนี่ยเราฉันไปเรียบร้อยแล้ว และไปรู้เข้าทีหลังครับรู้เข้าทีหลังว่าเขาฆ่าต่อโจมพวกเราอันนี้ก็ไม่เป็นอาบัตินะครับอเอารู้ก่อนฉันฉันเรียบร้อยแล้วมารู้ทีหลังมีปัญหาอะไรมันจะต่างกับอกักพยาบังสารนะครับมีเนื้อหมาเนื้อหมีเป็นต้นอันนั้นะถ้าจะเนื้อหมาเนื้อหมีจริงนะตอนแรกไม่รู้นะครับทีหลังมารู้เข้ายังไงก็ต้องสแสดงอาบัตเพราะพวกนั้นจะรู้ไม่ ร, รู้เป็นอาบัตทั้งนั้นนะ มันจะตัางนครับเนือสิบอย่างต้องห้างนะครับจะรู้เมนรู้ต้องนั้เมื่อรู้เข้ามาสิบหลังก็ต้องบอกอารมครับครับก็คือว่าผมอยู่ในป่แล้วก็ก็จะเรียกไม่ถ่ายด้วยครับผมผู้หญิมใช่ไห ผมผู้หญิงผมว่าใครสงสัยใครถามถามอย่างนี้แน่นะครับอย่างกันนาะเพราะผมู้หญิงมันหลุดออกมาจากตัวแล้วใช่มแต่มันก็ยังเป็นเส้นอยู่ผมก็หยิบทิ้งทันทีนะครับแล้วตอนนี้อ๋อผมรู้สึกจะมีน่ะมีเนื้ออะไรหรอ เนี้อเนี้อแล้วก็เลือดนี้ครับแล้วก็หลายอย่างนะอั น, นจําไม่ค่อยแม่แล้วนะครับจริงนี้อเลือดเนื้อแล้วก็อะไรอีกนะควบไปละมันนี่ก็ไม่ได้ครับแต่ ว, ว่าน้ำนมได้นะคใช่น้ำนมมนุษย์นี่แหละถ้าพูดถึงสัตว์ถ้าว่ามันมีได้นะครไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจเอาไว้ก่อน ครับอันนี้มันครับมอดูประมาจากรกาอันเดียวเส้นเดียวครับไม่แน่จาจ ก, กาาันทัีรอระลองถามจา่งอันนี้ได้ครับตรงนี้น ะ, ะเขียวก็ถทอม่าทำนะครับมาดูห้าประการจบไปแล้วเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานนี่อาจารย์ถามว่า เลข ส, สิบอย่างใช่ไหมครับถ้าเขาอ้างเลขที่นอกเหนือจากนี้สิบอย่างจะเป็นอาบัตไหมนะครับตรง น, นี้วิธีแบบง่ายๆนะครับเราองมาจับเนี่นะจะพอง อ, งองอาบัตเนี่ยมันจับครับถ้ามันครอบองนะถึงแม้ว่าจะอ้างเลขอย่างอื่นกแ็แล้วแต่นะครับถ้ามาครอบองคเราก็ ป, ปรับตาองนีเลยนะครับง่ายๆเนี้ยคงไม่พร้อมหรอกข้อแปดข้อเก้ า, ามันต้องโดขนข้าไหนข้อหนึ่ง <c oughs> ครับออกมาจับเลยครับข้านะครับแว่าเลตรนี้น่่าให้เป็นแข้วั้งหมนั่นประมาณนั้นข้าวออกมาจับ อันนี้ก็ได้แห้วงานตอันอนี้นตีต่อไปก็มาดูคาอธิบายในการขายหน่นะครับหน้า87สเจ็ดข้อที่สิบนะหน้า8ปดสิบเจ็ดข้อที่สิบอธิบายสังฆเพทสิขาบทสิขาบทว่าด้วยการทำสังฆแตกการาาทีนี้าอธิบายสิขาบทที่สิบต่อไปนะครับ คำว่าสมครคษะสังคษะนะถ้าเราท่องได้ใช่ไห old, โยปนาิกขูสมัสคาารค ษ, ษ, ษาสังคษาเพียรายัปรักกระมียะนะครับอันหนึ่งที่สูงใดพยายามเพื่อทำลายสงผู้พร้อมเพียงกันเนี่ยสมครคษาสังคษานะครับแห่งทีส่สุดสองผู้พร้อมเพียงกันมีความว่าคล้อยตามกันทั้งกายและจิตนะครับดังนั้นในวาราจจะจำแนก บ, บทแห่งบทนั้นท่านจึงกล่าวว่า ชื่อว่าสมงผู้พร้อมเพียงกันคือมีสังวาสเสมอกันนะครับแล้วว่าทํากรรมร่วมกันได้ลงปฏิโมกร่วมกันมีศีลเสมอกันอยู่ในสีมาเดียวกันจึงอยู่สมผู้มีสังวาสเสมอกันย่อมมีจิตคล้อยต่างกันพ้ามีจิตเสมอกันสงผู้อยู่ในสีมาเดียวกันย่อมเป็นผู้ไม่แตกแยกกันด้วยการให้การสาม มีจิตค้อยตามต น, นะในการทํากรรมต่างๆนะครับหรือว mm ่า hmm. มีทิฏฐิอะไรมีความเห็นนะ mm hmm. เกี่ยวเรื่องธรรมวินัยนะครับคือ mm hmm. สบอง ก, รรกันแล้ว mm hmm. เหมือนกันก็เลยทําสำักกรรมอะไรต่างๆนะครับได้นะแล้วก็เมื่อมีเห็นค้อยตามใช่ไหมเวลาจะมีสำนักกรรมต่างๆนะ mm hmm. ก็จะมีได้การสามวิธีนะครับเพ <c oughs> ื่อให้วางรูปไม้รูวมือนะพร้อมเพียงกันในการทํากรรม หรือวจะประชุมสองจะอะไรก็แล้วแต่นะข้อความที่มีจิตคอยตามกันนะ่ะก็จะพร้อมเพียงมาร่วมประชุมก า, ารพูดสารหรือใช่ไหมครับเรื่องราวอะไรก็แล้วแตนะ่นี่นี่นะถ้าสามบางทีก็ต้องลักษณะนี้นะครับ <c oughs> ไม่ใช่ว่าใครอยากมากก็อยากให้มาให้มาไมาไม่มไมค่อยมาเหมือนกันนี่นะมาก็สายบางอะไรบ้างนี่นครับถ้เ ah e ana, าเร็วไม่ให้การถามบางทีอย่างนั้นนะ คนอย่างเราจบือประชุมครับมีบูประชุมพอมีประสบการณ์นั่นเมื่อมาอยู่ว่าเขาไม่ใหม่เมื่อก่อนนะพอประชุมวันพระบางทีเราเป็นเด็กเราไม่เคยมีประสบการณ์ในหลายอย่างนะครับรู้สึกว่าประชุมมันถึงไสนุกประชุมเหนือไม่สนุกเพราะเรามีเรามีอะไรของเราอยู่เราต้องการสุกอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างที่เราคิดนะครับเราก็เลยคาดว่าที่ประชุมจะไม่สนุ อาจารย์นันใช้คํ า, าว่าน้ําชาล้นถ้วยเทออกไปแล้วเมียล้นออกมันไม่เข้าอใจมันไม่ได้ฟังที่เขากําลังพูดนะถ้าเหตุแรกครูบาอาจารย์กําลังพูดนะเขากําลังพูดถึงเรื่องอะไรเขาที่ให้เรารู้อะไรสรุปประเด็นตรงไหนเนะความจริมบางเรื่องอย่างมันมีนมคําตอบอยู่ในตัวนะที่เขาพูดนะครับขให้เราเอาน้ําชาเททิ้งก่อนเขาจะได้เทของตองไปได้นะเนี่ยตอนแรกของมันมันก็เป็น น, น, นะครับ แต่พอมาที่หลังสังเกตอ๋อเนี่ยมันก็สรุปแล้วนะเพียงแต่ไม่ต้องใช้คําพูดว่าสรุปหรือว่าอะไรายอย่างเนี้ยแต่มันก็มีการสุกในตัวแล้วก็เรื่องก็เป็นไปได้อย่างนั้นน่ะถ้าเราตั้งใจให้ดีนะตามหาพูดบ่อยน้ําชาล้นถ้วยแต่เฉพาะนี่เป็นการปฏิบัตินั่นเองพูดน้ำชาล้นถ้วยคือมันมีอะไรของตัวเองเยอะนะก็ไม่ค่อยเปิดใจรับฟังเต็มที่นะครับ มันก็เลยจะรู okay okay. ้สึกว่าเออไม่สรุปบังทีก็มันแน่เข้าสรุปแล้วนะครับใช่ใช่เข้ากบกันนะครับยิ่งคนที่ไม่ตั้งใจฟังน่โอ้เสียอะไรเงี้ยเสียะต่อไปนะครับอันนี้พ้อเพียงกันนะให้ฟามสามัคคีนะครับมีจิตคอยการกันเห็นร่วมกันนะครับเรื่องทำเรื่องวินัยนะแล้วก็ให้การสามัคคีคำว่าเพยทยย่ปรักกเมยะ ที่แปลว่าพึงพยายามเพื่อทําลายสงแล้วเราจะเกียรกัะการก็ไดภาษาไทยความว่าพยายามเพื่อทําลายสงด้วยคิดว่าทาอย่างไรที่สูเหล่านี้จะแตกกันนะครับ mm hmm. เริ่มตั้แต่ตอนแรกไปสวงหาพังหาพั่วนะแยกกันเป็นกลุ่มเป็นก๊อกตั้งอะไรบ่งขึ้นมานครับแล mm ้ว hmm. ก็อ่านะหาข้ออ้าง น, นะครับ mm hmm. เพื่อที่จะทําทลายสงนะ คำว่าเหตุท่าน่าสั่งวัตถุกลางวาอาทิกระนังนะครับอสมาธายาปะอัดแค่นี้ก่อนนะครับที่บอกว่าความว่าเหตุที่เป็นไปเพื่อการทําลายสงจึงอยู่ในฐานะนี้เหตุท่านประสงค์ว่าเป็นอธิกรณนะครับหมายควาว่าเขาอาทิกรณอาทิกระังในที่นี้นะแปลว่าเหตุนะครับแปลว่าเหตุเหมือนในคําว่ามีการเป็นเหตุ ภาษาบีเป็นการมเหตุตุกมีการเป็นเหตุการมนิทานํมีการเป็นต้นเรื่องการมาที่ระได้นำมีการเป็นตัน้งนะก็หมายถึงว่าที่บ้างเพราะว่าที่กำลังที่นะัก็บอกว่าเหตุนะครับเหตุนะครับที่เป็นไปเพื่อการทําลายสองนั้นมีสนะิบแปดอย่างนะครับมีสิบแปดอย่างนี้เราเปิดอยู่ได้ในวินัยปีดอกอเลขเก้าหน้าสาม้อยแปด ในโดดเล่เก้าหน้าสามร้สิบแปนะครับนี่น้าสามอสิบปะครับจินในดีกาก็เข้ายกมาเหมือนกันนะแต่ดึงในพระบาริดตองนด้ น, น, น, นี่เห็นยครับท่านบอกว่าสั ร, ระเพทนะครับ ท่านเข้าบาลีทูลถาม ว, ว่าพระพุทธเจ้าข้าพระองค์ตรัสว่าสัางฆเพศสังฆเพศดังนี้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรสองจุดแต่เมื่อพระเจ้าอ่านว่าบุก่อนอุบาลีที่อยู่ทั้งหลายในธรรมวินัยนี้หนึ่งนะครับย่อมแสดงอธรรมว่าเป็นธรรมสองย่อมแสดงธรรมว่าเป็นอะธรรมสามย่อมแสดงสิ่งไม่เป็นวินัยว่าเป็นวินยัยสี่ย่อมแสดงวินัยว่าไม่เป็นวินยัย ห้าย่อมแสดงคําอันตรฐานคดไม่ได้ตัดทางสิทธิไว้ว่าเป็นคําอันตรฐานคดตัดทางสิทธิ์ไว้หกย่อมแสดงคำอนันตรฐานคดตัดทางสิทธิไว้ว่าเป็นคำอันตรฐานคดไม่ได wow. ้ตัดทางสิทธ um um ิ์ไว้เจดย่อมแสดงกรรัตรฐานคดไม่ได้ประพฤตมาว่าเป็นคำอัตรฐานคดประพฤตมาแต่ย่อมแสดงคำอันตรฐานคดประพฤตมาว่าเป็นกรรมตรฐานคดไม่ได้ประพฤตมา ก้าย่อมแสดงสิ่งที่ฐานคบไม่ได้มัญญัตไว้ว่าเป็นสิ่งที่ฐานคบมันญยัติไว้สิบย่อมแสดงสิ่งที่ฐานคบบัญยัติไว้ว่าเป็นฐานคบไม่ได้มันญยัติไว้สิบเอดย่อมแสดงอาณาบัตว่าเป็นอาาบัตสิบสองย่อมแสดงอาาบัตว่าเป็นอาาบัตสิบสามย่อมแสดงอาบัตเบาว่าเป็นอาณบัตหนักสิบสี่ย่อมแสดงอาบัตหนักว่าเป็นอาบัตมองสิบห้า ย่อมแสดงอาบัตมีส่วนเหลือว่าเป็นอาบัตหาส่วนเหลือไม่ได้อาบัตมีส่วนเหลือคือยังฟงได้ยังไม่ประราชิบครับไม่มีส่วนเหลือก็ประราชิบนะสิบหกย่อมแสดงอาบัตหาส่วนเหลือไม่ได้ว่าเป็นอาบัตมีส่วนเหลือสิบเจ็ดย่อมแสดงอาบัตชั่วยาวว่าเป็นอาบัตไม่ชั่วยาวสิบแปย่อแสดงอาบัตไม่ชั่วยาวว่าเป็นอาบัตชั่วยาพวกเธอย่อมประกาศให้แตกแยกกันด้วยวัตถุสิบแปดประกาศนี้ ่อมแยกคําอุโบสถแยกคำปัฏฐาณาแยกคําสงฆกรรมดูกองบาลีด้วยเหตุเพียงเท่าออนี้แหละสงเป็ น, นแตกกันแล้วอืมเราตรงนี้น ะ, ะใช่ครับอ้างอ้างเรื่องนั้นขึ้นมาก็ได้ครับอะไรขึข้นมงก็ได้ <c oughs> ทีนี้จะอธิบายข้อห้านะครับที่ว่ า, า, า, า, วาสแสดงอะรรมว่าเป็นธรรมในยังไงก็คือในยกตัวอย่างเช่น ในคนที่ปักเทียคำสามสิบเจ็ดนะราจะมีสติปัญฐาสี่สมบัติานสี่ที่บาทสีอินสีห้าพระห้า 5, พลงเจ็ดอริยมังกรแปอันนี้ชื่อว่าคำนะครับแต่ถ้าเขาไปแสดงอีกแบบเพอาอะเนี้ยสติปัญาสามข้มบันใหญ่ขเขาสมองนะสมบัติานสามที่บาทสามอิ 4, นรีหกหนุนครับเกินห้านะพระหกพลทงแปดมังกรเก้า นี่ชื่อว่านี่ชื่อว่าธรรมไปนะครับเนี่ยนี่ตัวอย่างนี้ครับถูนต้องนะพวกนี้ทําไมเขาทาอะไรแบบแหกข้อแหกอะไรนี้ครับเขามีความคิดหนิงเนี่ยเขาบอกว่าบรรดาธรรมและอาธรรมนั้นที่สุดทั้งหลายพูดถรือเอาส่วนคืออาจธรรมอันหนึ่งนะครับบางข้อบางอย่างกล่าวอยู่ซึ่งอาจธรรมนั้ว่าเป็นธรรมด้วยทําในใจว่าเราจะทำอาจธรรมนี้ว่าเป็นธรรม เารู้ทั้งรูงร้นะว่าอะไรถูกอะไรผิดนะครับแต่เขาต้องการเกิดความแผลงแยกนะครับเขาเลยไปแสดงกประกาศอย่างนั้นนะด้วยประการอย่างนี้สกุลแห่งอาจารย์ของพวกเราสั่ย้อนเยี่ยวนะครับ <c oughs> โอ้โหมเหมือนกับพิเศษทำอะลรพิเศษขึ้นมาใช่ไหมนะครับอุบาอาจารย์จะมีชื่อมีเสียงนะและพวกเราจะเป็นคนมีหน้ามีตาในโลกนะครับช <c oughs> ื่อว่าแต่าางธรรมว่าเป็นธรรมอันนี้เป็นต้นนะยกมา ทำาบบอักษรทำอะไรแบบหูแบบพิเศษนะเหมือนกับว่ามันเท่ไม่ใช้เด่นดังอะไรขึ้นมานี่นะครับเนี่ยมีความบกสนะไม่ดีนะครับนี่นะก็ไปดูได้ถ้าดูคําอธิบายละเอียดนะครับคําอธิบายอยู่หน้าสามร้อยสามสิบสามนะครับติดเบอน้องต่อได้ไหมได้ได้แต่บากได้เลยนะเล่นกล้วยกันนะครับคําอธิบายหน้าสามรอยสาสาม เขาต้องการรายละเอียดนะครับเนี่ ย, นนะะ เ, ยเขาจะที่บ้านไล่ไปทีละข้อนะท่านบอกว่าครั้งเมื่อพิสูจ์ทั้งหลายแสดงว่าถูกอันใดอันหนึ่งแม้ว่าถูกอันเดียว น, นะครับในวัตถุที่กระทํามีเกิดความแตกกันสิบแปดแล้วให้พิสูจ์ทั้งหลายหมายรู้ด้วยเหตุนั้นนั้นนะคะรับชื่อว่าป่าประกาศชี้แจงนนะั้แล้วก็ไปพูดให้เขาฟังนะครับอว่าท่านทั้งหลายจงจับสลายนี้ อันนี้แกเป็นการพยุงจิตประคองใจนะให้เขาถือมั่นตามที่จัวเองว่านะครับให้จับสลากเลยเพือ<ส><ด>จะให้ได้มั่นคงนะว่าใครถือตามเราจับสลานี้นะครับ<ส>ท<ด>่านจงชอบใจสลานี้ดังนี้ให้จับสลากแล้วทําสังกรมรมแผนหนึ่งอย่างนั้นแล้วสงย่อมเป็นอันแตกกัน<ส><ด><ส><ด>นี่นกรรมหนักเลยนะอนันตริยกรรมรกอชไ<ส><ด> ใช่ครับใช่ครับสมัยนี้ผมไม่มีใครกล้าทำครับหรือว่าไปนั่งร้องแน่นอนต่อไปครับครับครับเขามีแน่ครับเพราว่าสองประเภทเนี่ยมีได้ด้วยอาศัย เหตุ5ประการเขาเรียกว่าอาการ5อย่างนะครับโดยกรรมนะครับโดยกรมรมคือทงสารกรรมแยกกันนะครับโดยอุเทศสุดปฏิโมงข์แยกกันโดยโวหารนะครับโวหารในหมู่กางชี้แจงนะครับชี้แจงโดยอนุสาวนาการเปล่าประกาศบอกไปนะครับแล้วก็โดยจางจัดสลากถ้ามองว่าที่ชี้แจงก็ดีเปล่าประกาศก็ดีให้เข้าจับสลากก็ดีนะ ถึงแม้จะทำสามข้อนีล้นะครับยังไม่เชื่อทำสำเพ็หรอกแต่เมื่อใดทํากรรมก็ดีลงปฏิโมกก็ดีแยกกันในสีมารีต่างนะครับเนี่ยตรงนั้นจุดเป็นสำเพ็เพราะฉะนั้นข้อหนึ่งข้อสองเนี่ยกรรมเรื่องวุเทนคือสําคัญที่สุดนะตรงนี้ครับแต่ตรงนั้น เ, เป็นเบือ้องต้นนะเราบูภา ป, ประโยชน์ใช่ไหมครับเป็นทำสำเพ็นะเขาชี้แจงอะไรว่าถือตัวเองว่านะให้เขาเชื่อตามนนแล้วก็เป่าประกาศไปแล้วก็จับสลาก เขาเอาสนามเข้านม่เขา้าใจผมไม่เข้าใจเ่าบอกว่าจับสนามนะครับเ ข, เขาเพื่อจะรู้แน่ว่าเนี่ยพวกนี้เป็นพวกเราแน่ๆนครับเนี่ยถ้าใครจับสนานี่ก็คือเนี่ยพวกเราครับใช่ใชใช่ครับจะได้รู้ภาคพวกมันเจ็ คือที่ว่าไอ้ใบกันอยู่ในสีมารด้วยกันนะเขาอย่ในโหมดเดียวกันแต่ว่าั้งคนละคนลคนะรั้อ๋อครับไม่แน่นะคนละครั้งหรือว่าครั้งเปนการทะลาะแตกครับแต่ว่าแต่ว่าขณะที่กำลังทาวก็คืออยู่ในสีมารนั้นสองข่้วครับค่ะอยู่ในสีมารนั้นสองขั้วกรวสุนปฏิโมกพร้อมกันนะหรือว่าไม่พร้อมกันแต่ก็ยังอยู่ในสีมารด้วยกันแต่ไม่ยอมร่วมกันนะแยกกันเลย <unsafe problem> <ble> นี่ได้นม่ไดนี่ยบอกว่าเหตุนั้นมีสิบแปดอย่างาเหตุที่จะทำลายสงควาว่าสมาทายะแปลว่าทือเอาควาว่าปักไทรหักติดเถอยะความว่าเราถือเอาเหตุนั้นเป็นไปเพื่อการทำลายสงซึ่งสามารถจะทำให้สงแตกแยกกันได้ สแสดงอยู่และนมยอมสละทิ้งนะครับนคําว่าพิภูหิเอว่ามัสสามวัจญโยพิสุททั้งหลายนะครับพึงว่ากล่าวพิสุรูปนั้นนะรูปที่พยายาทําลายสงนะครับความว่าพิสุเราใดเห็นพิสุนั้นผู้ยังยึดถือเห็นนั้นอยู่ต่อหน้าหรือพิสุเราได้ทรางว่าได้ยีหามาพิสุผู้จะทําลายสงอยู่ในวิหารนู่น ที่ส่วเหล่านั้นนะครับควรเดินทางไปกําหนดต่ําสุดแม้เพียงระยะสั่งเยอะนะครับต้องไปถึงลูกนัต้องตัดไปตัดเตือ น, ะะตนนะครับในระยะนีนะสึงเยอะถึง8กิโเมตรนะครับอยู่ว่านไหนก็ แ, แล้วแสง้วได้ข่าวที่ไหนนะครับต้องไปเตือนตัดเตือนไปนะครับเป็นลําดับเป็นต้นว่าคุยแน่ใช่ไหมว่าราจะนักขโมงนะ